ศรัทธาศีลจาคะและปัญญาส่วนสุตะคือความรู้ข้อมูลก็ควรจะมียิ่งเป็นพระหูสูตรได้เรียนรู้มากก็ยิ่งดีแต่ถึงจะขาดไปก็พอยอมได้ถ้ามีปัญญาก็พึ่งพาสุตะน้อยลงแต่ถึงเล่าเรียนนานมีสุตะมากแต่ถ้าขาดปัญญาก็ไม่สำาริจผลปัญญาสำคัญที่สุด อย่างไรก็ตามรวมแล้วคุณสมบัติเหล่านี้ถือว่าเป็นกำไรของชีวิตสับว่าอาริยาวัดคำว่าวัดวแหวนแมหานาคตาภูเท่าสารีนี้ถ้าแปลตรงสับแท้ก็คือกำไรในวัตถิสูตรอังคุตระนิกายทศกานิบาศพระพุทธเจ้าตรัสถึงอริยสาวกที่จเจริญด้วยอริยาวัดสิบประการ เป็นฝ่ายที่ตธรรมมิกระ5หข้อคือเจริญด้วยเลือกสวนไร่นาเงินทองธั ญ, ญชาติบุตรพันรยาคนรับใช้กรรมกรคนทำงานสัตว์สีท้าและคุมด้วยฝ่ายสัมปรายกตะห้าข้อคือศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะปัญญาหลักธรรมว่าโดยการบริหารจัดการการมสุขและกามโภคะ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 เพราะเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของคราวาสีชนคนครองบ้านครองเรือนเป็นเรื่องที่คุ้มและคุ้มชีวิตด้านอื่นๆไว้ด้วยแทบทั้งหมดและเมื่อเห็นเฉพาะพระโส์อย่างนั้นบางทีเลยเข้าใจไปว่าประโยชน์ขั้นทิฏฐธรรมคือทิฏฐธรรมมิกระทะหมายถึงเรื่องเงินทองเท่านั้นในที่นี้จะนาพุทธพจน์ในเรื่องนี้มาแสดงไว้เล็กน้อย พอให้เห็นตัวอย่างที่ประโยชน์ขั้นทิฏฐธรรมเน้นเรื่องทรัพย์สินเงินทองแล้วก็โยงต่อขึ้นสู่ประโยชน์ขั้นสัมป ร, ราไปเลยแต่ก่อนจะไปที่พุทธพน์้ช่นั้นขอยกพระสู่สั้นๆมาให้ดูพอให้เห็นกรณีที่ประโยชน์ขั้นทิฏฐธรรมหมายถึงการมาสกด้านอื่นที่ไม่ใช่เงินทองซึ่งในกรณีนี้เป็นการบริหารจัดการในเรื่องสุขภาพร่างกายดังนี้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 ของพระเจ้าประเสริฐนโกศลว่าเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าค่าเขาเรียนคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วในเวลาที่พระเจ้าประเสริฐนโกศลเสวยพระกรยาหารก็กล่าวว่าบุคคลผู้มีสติอยู่เสมอได้อาหารมาก็รู้จักประมาณจะมีเวทนาเบาบางแก่ช้าครองอายุอยู่ได้ยืนยาว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 เป็นของชอบธรรมได้มาโดยรรมนี้เรียกว่าอัติสุขข้อสองดูคระเครหืห บ, บดีก็สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคเป็นชนะคือกุลบุตรกินใช้และทำสิ่งดีงามเป็นบุญทั้งหลายด้วยโพคะที่หามาไ ด, ได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร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 ซึ่งบรรพบุรุษของทีฆาชานุนั้นเกิดในทางเสือผ่านเพราะฉะนั้นคนในตรกูลนั้นเขาจึงเรียกกันว่าพยักขปัตทีฆาชานุเข้าไปเฝ้าและได้กราบทูลถามดังความต่อไปนี้ทีคาชานุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นครือหัดผู้บริพโภคามนอนมีบุตรเบียด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 ทำสี่ประการนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในทิฏฐธรรมแก่กุลบุตรกล่าวคืออุตถานสัมปทาอารักกสัมปทากัลยานมิตตาสมชีวิตาอุทถานสัมปทาเป็นไนคือกุลบุตรหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันในการงานไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมก็ดี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 ชำระทางสัมป ร, ราให้เป็นความสวัสดีไว้ทุกเวลาทำแปดประการดังกล่าวนี้ของคนครองเรือนผู้มีศรัทธาอันพระผู้มีสักจะเป็นพระนามตรัสว่านำสุขมาให้ทั้งสองสถานทั้งประโยชน์ทิฏฐธรรมและความสุขสัมป ร, ราแล่ด้วยประการดังนี้จาก้ธรรมและปวงบุญก็จะเจริญเพิ่มพูนแก่เหล่าครหัดทั้งหลาย